จิงเห็นแค่รูปกับนามนะเกิดดับเกิดดับไปพ่อพอจริงๆแค่นั้นเนะเมื่อวานที่ครูบาอาเล่าเมื่อฟังหลวงพ่อสอนกรรมฐ า, านคนเยอะแยะเวลามาถามแต่ละคนต่างกันมากมายคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้อะไรงี้บาาก็นึกขึ้นมาเอ๊ะทำไมการปฏิบัติมันเยอะนัก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 ไปสอนให้คนอื่นเดินเขย่งก็ไม่ได้เรื่องนันทางใครทางมันนะกรรมฐานเหมือนบางช่วงถ้าฟุง้งไปเดิ น, ดนจนกลมแล้วฟุง้งแล้วก็คิดว่าเออเดินวัวัจะหายฟุง้งพอเดินไัยวัจริงๆมันก็ฟุ้งไวัวัยเจ้าค่ะก็ฟุ้งนั่นแหละมันบังคับไม่ได้สังเกตไหมใจเราไม่เป็นกลางใจเราอยากให้หายทําไมใจเราอยากให้หายเพรามันอยากดี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 ใจจะหมดความดิ้นรนเรียกว่าตัณหาถูกละไปรู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่สมุทัยคือตัณหาจะถูกละอัตโนมัติอัตโนมัติแล้วไม่ขึ้นมาอีกละเพราะรู้ทุกข์แก่แจ้งแล้วของพวกเราภาวนาที่อยู่ครึ่งครึ่งกลางๆงไม่ใช่ปุถุชนธรรมดาธรรมดาอะไรเงเราอย่างเห็นว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์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 ในสุดปัญญามันก็เกิดเป็นลําดับลําดับไปมันก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวนะความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวเพะชั่วคราวชั่วคราวไปเรื่อยในที่สุดจิตหยุดความดิ้นรนเนี่ยพอจิตหยุดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนเห็นนิพพานนิพพานนี่นไม่มีตัวมีตนอะไรมีความสงบสันติค่อยฝึกเป็นลำดับลําดับไปนะวันหนึ่งมันรู้แจ้ง รู้แจ้งในกายในใจแล้วก็พลล้นล้นั่นรู้ทุกนั่นแหละละสมุทยัยทํานิโรธคือ น, นิพพานให้แจ้งขึ้นมาต่อหน้าต่อตาการรู้ทุกจนละสมุทยัยแจ้งนิโรธนี่แหละรเรียกว่ามรคหรือว่าการเจริญมครคเพราะงั้นการเจริญมครคจริงๆก็คือการรู้ทุกนั่นเองจันสุรวัตรรู้จักเนื้อจันสุรวัตรแกเคยแจกแจงอริยสัจนะลงในกิจ ในยานสามตัวสัจญานกิจยานกัตยานจะบอกว่าตัวทุกขสมูทัยนิโรธมรคนี่มีสภาวะเป็นอย่างไรต้องศึกษาอันนี้คือการศึกษาในเชิงปริยัตเชิงปริยัตการที่รู้ว่าทุกต้องรู้สมูทัยให้ละนิโรธทาให้แจ้งมรทาให้เจริญนี่คือกิจเป็นกิจยาน กิจยานนีก็คือการปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ทุกแล้วละสมุทัยแล้วแจ้งนี้รวดแล้วเจริญมรรคเสร็จแล้วเป็นกตยานยานสุดท้ายทำงานเสร็จแล้วบอกนี้คือปฏิเวทแกเก่งนะแกะแจกแจงอริยสัจนะลงในยานทั้ง3ามนะลงในปริยัตปฏิบัติปฏิเวทได้แจกแจงได้น่าฟังนะคือถ้าใจ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 เราภาวนาไปพวกเรารู้สึกัหมบางครั้งเราเกิดความรู้ความเข้าใจนะั้นมันรู้สึกสึกรู้สึ ก, สกลึกซึ้งมากเลยแต่พอเราถอยออกจากสภาวะนะั้นเราจะมาพูดเป็นคำพูดนะจะตื้นตื้นรู้สึกไหมธรรมาจะกลายเป็นของตื้นตื้นแต่เวลาที่เราสัมผัส ด, ด้วยใจแหมมันลึกซึ้งนะลึกลึกลึกลึกทำไงจะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังได้บ้างพนะูดไม่ออกหรอ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 คือคนไทยไปแปลบาลีเนี่ยบางทีแปลแล้วเติมคําให้เพลอะๆแล้วมันเคลื่อนจากสภาวะเราชอบไปแปลว่าทุกข์ให้กําหนดรู้ะบางคนเลยเถิด น, นะสมูทายให้กําหนดละบีอีกนี่นี้ลวดกาหนดให้แจ้งนะไปกันใหญ่เลยนะนั่นเป็นคําที่เกินมาจริงทุกข์ให้รู้รอบรู้ให้รอบรู้รอบในกองทุกข์นั่นเองแล้วก็รู้จริงในกองทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนอนัตตา อเชิญเชิญจานวนสิริข้างหน้าเลยนะข้างหน้าว่างว่างอยู่หนึ่งที่พอดีอะเชิญได้สองที่เลยอะคุณตรงลุกให้เ mm hmm. ชิญที่ข้างหน้านี้ mm hmm. เบอร์ยี่สิบห้ากับเบอร์ห้าสิบเอ็ดพอเห็นกิเลสทั้งวันไห ม, ม mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยส่งใหมน่นิดนึง เพื่อนฝูงได้ได้ยินด้วยปกติเวลาอยู่ธรรมดาเนี่ยจะจะทำได้สบายสบายแต่เมื่อไหร่นั่งสมาธิก็มันเหมือนกับยังไปจ้องอยู่ซึ่งยอยากจะเรียนถามท่านว่าควรจะทำยังไงเวลานั่งมนนสมาธินแล้วก็เลิกสะก่อนหยุดไปก่อนไม่ต้องนั่งเลยแต่ไหว้พระนะไหว้พระสวดมนต์ให้สบายใจใจได้รับความสุขความสงบก่อน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 พรท่านก็พุทธโธพุทธโธไปแป๊บเดียวนะไปบริกรรมชื่อแฟนตกใจนะโอเหล่านี้ใจบาปหยาบช้าทิ้งพระพุทธเจ้านะไปท่องชื่อแฟนแทนวิ่งมาหาถามหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธบอกบริกรรมชื่อแฟนไปท่านก็บริกรรมแหมคิดถึงชื่อแฟนนะสบายใจใจสงบใจสงบนะเห็นหน้าแฟนโปลยขึ้นมาด้วยมีภาพประกอบด้วยนะโอ้น่ารักกัน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 เราคนนี้ไม่เคยหายไปไหนเราคนนี้ก็เราตัดเด็กๆ เ, เราเดี๋ยวนี้ก็เราตันเด็กๆนั่นเราคนเดิมจะรู้สึกอย่างนี้แต่พอเรามีสติว่าขึ้นมาเราจะเห็นในชีวิตส่วนที่ผ่านมานี้ขาดไปล้เป็นอดีตไปหมดแล้วชีวิตเหล่านั้นหายไปหมดล้เกิดแล้วดับไปทั้งสิน้นเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแว บ, บหนึ่งความรู้สึกตัวก็ดับอีกอาจจะหลงใหม่หรืออาจจะเกิดความรู้สึกตัวต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้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 ว่าจิตเป็นตัวเราขาดนะต้องดูมันบ่อยๆดูไปเลยจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตตรงนี้ก็เกิดเดี๋ยวจิตตวงนี้ก็เกิดสลับไปเรื่อยๆนะเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเบอร์ห้ารู้สึกไหมเบอร์ห้าบเอ็ดจำเบอร์ยังไม่ได้เมื่อกี้นี้ทำอะไรนึกออกไหมแต่กี้เนี้ยใช่จิตลงไปอยู่ในโลกของความคิดตับถูกแล้วถ้าคุณเห็นตรงนี้คุณภาวนาเป็นละ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 เนี่ยถ้ารู้แจ้งรู้จริงนะจะวางลงไป <อะ S 1> เขาจะวางจิตนะ<ม>วางจิตตรงที่วางจิตลงไปเนี่ยเราจะไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีก ม, มันเพราะว่าจิตเนี่ยคือสิ่งที่เรายึดว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุด<ม>ดีนะภาวนาจารนวนสรุรินี่บางคนเข้าใจผิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องไม่ทําอย่างเก่าก่อนถ้าจริงๆถ้าทําอยู่อย่างเดิมนะมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้หรอกนี้นคนจะเข้าใจผิด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 ตัณหาอุปาทานตัณหาก็คือความทยานของจิตที่ทยานไหลออกไปอุปาทานคือจิตมันเข้าไปแตะต้องตัวอารมณ์นะเข้าไปจับปั๊บนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลยไม่ว่าจิตจะไปแตะอะไรความทุกข์ก็เกิดทีนั้นเลยเนี่ยโยมเห็นอย่างนี้ิเศษมากแบบตกใจแล้วตรงนั้นไม่ไม่เอาไม่อยากเอาเลยแต่ก็ไม่ทราบจะทำยังไงต่อไม่ได้ต้องต้องเอามันไปเรียนรู้ไปจนเข้าวางของเขาเองเรียนรู้ไป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 เห็นอย่างโอ้มันซาบซึ้งถึงใจนะเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดมันก็งั้นๆแหละแต่เวลาที่เข้าไปประจักษ์กับสภาวะนะโอ้โหมันอัศจรรย์นะซาบซึ้งถึงใจมันซาบซึ้งถึงใจขนาดนั้นแหะมันถึงฆ่ากิเลสได้ลำพังเข้าสมองแล้วมันตื้นไปหมดธรรมะดีละเอาของโยมเป็นไงส่งกันบ้านเอาไมโครโฟนนะก็หลังจากพบท่านที่เจ้าค่ะ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 หรือแต่สภาวะรู้รู้ล้วนๆเลยแล้วแล้วตัวที่เข้าไปไม่อยากเอาตรงนั้นมันคือตัวอะไรจ๊ะก็ตัวรูตัวโทสะตัวโทสะมันไม่อยากเห็นไหมอ๋อค่ะเห็นเห็นเพราะว่าเป็นพื้นมีมีโทสะโทสะอ๋อคือตัวที่ไม่อยากเอาก็คือตัวโทสะตรงนั้นก็ต้องดู้วให้้รรูทััตตววโจอย่าเป็นกลาง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 มันเข้าใจแล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะก็หลังจากเจอท่านที่เมืองกราสองสามปีก็นำของท่านไปปฏิบัติแต่มันก็ยังหลง้วคิดอยู่เรื่อยกระทบเรื่องงานอยู่เรื่อยเจ้าค่ะแต่พอได้พบหลวงพ่อ ใช่ไหมเจ้าคะ่ะแล้วก็ครูบาอาจารย์แก็รู้สึกเดียงเดินเข้ามาเนี่จิตรู้สึกเหมือนมันตื่นสดชื่นเบิกบานเดี๋ยวสักแป๊บมันก็แว บ, บไปคิดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วยิ่งกระทบยิ่งงานคิดเครียดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็จะหลงเอ๊ะทาไมเราเกิดอะไรหงุดหงิดอ ย, อยู่เป็นวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค<า>่ะสังเกตไหมบังคับไม่ได้เจ้าค่ะบังคับไม่ได้ดูไปเลยจิตใจนี้ไม่ใช่เราหรอกทางานได้เองเจ้าค่ะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปคิด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 วันไหนจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบานี่ก็แบบมีส่วนได้เสียแล้วรู้สึกเราสบายอยากให้อยู่นานๆเราต้องดูแบบดูอย่างคนวงนอกเลยดูเหยือนคนไม่มีส่วนได้เสียเลยช่วยส่งใหม่ไปทางนี้หน่อยนะอ้าวโยมเบอร์ห้าเป็นไงฮอนาะเออกับผมขนาดที่เดินแล้วก็พอนาไปด้วยเนี่ยครับเขารู้สึกว่าจะ จ ะ, จ, ะจะเร็วขึ้นดีที่โยมทำอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะครับดีแล้วทำไปเรื่อยๆอย่าเลิกนะแต่พอเวลามามานั่งฟังพระสารพูดครับก็จะจะหลุดบ่อยๆนะให้เรารู้ทันนะแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้จิตหลุดไปไม่ห้ามนะครับยิ่งหลุดบ่อยยิ่งดีไหลแบบแล้วรู้สึกหลแบบแล้วรู้สึก เราจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงนะครับแต่ถ้าเราไปรักษาให้เดินจงกรมรักษาให้นิ่งไม่ยอมไปไหนเลยจะได้สมถะได้ความสงบครั บ, รบนะแต่ถ้าเราเห็นไหลแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกเจะเกิดปัญญามันไม่เที่ยงนะครับผมผมไปไปฝึกปฏิบัติอที่ไปคือไปไปไปที่น่า ก, กลัวนะครับเราช่วงแรกเนี่ยมันกลัวมากเลยอะไรนะ ในที่ที่น่ากลัวฮะก็คือไปฝึกปฏิบัติช่วงแรกนี่กลัวมากก็เลยกําหนดกําหนดรู้สิ่งสิ่งที่เห็นก็คือจิตออกไปเนี่ยเราเราตั้งว่าเป็นหนูจิตสติเนี่ยเราคือแมวจะวิ่งตลอดเลยฮะแล้วก็ตะคุบตะคุบตลอด อ, อยู่องั้นทนประมาณสี่ห้าชั่วโมงอ ย, อยู่จิตก็คายออกมาเองอืก็เลยรู้ว่าจิตเนี่ยเราบังคับไม่ได้อืเขาจะเขาจะกลัวเขาก็กลัวเขาเองชต้องนานทักพักหนึง่ง เขาลูกลุกตัวว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอเขาว่าคลายตัวของเขาเองแต่ก็ยังก็ยังกลัวเดี๋ยวก็ยังคลายคลายออกมาหนะดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงเขาบังคับไม่ได้เออปฏิบัติไปบางครั้งมันเหมือนจิตมันไม่มีน้ําหนักเบาๆคือเคยเห็นกายเป็นขนาดนี้หรือเปล่าไม่ใช่ขนาดนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ไม่ถูกนะขนาดนี้เกาะๆอยู่ มันก็เหมือนเป็นเป็นอะไรที่ไม่มีน้ําหนักอืมมันมีน้ําหนักขึ้นมาเพราะเราไปหยิบฉวยอืไปยึดไว้อย่างกระติกเนี่มีน้ําหนักไหมเนี่ยถ้าเราถือมันถึงจะหนักใช่ไหมถ้าไม่ถือมันก็ไม่หนักหมอตุก๊กเมืร์สี่สิบเจ็ดแท็บกลัวแล้วอะตอนแรกนึกว่าจะไม่โดนส่งกันบ้าง<อ>รู้สึกมันโปร่งโปร่สบายเออยงไง ก็ยังมัวแล้วก็ใจไม่เป็นกลางยังมีส่วนได้เสียอดีดูไปส่งตอบไปที่มาใหม่ๆนะหลวงพ่อไม่ว่าเลยนะสภาวะอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ว่าเลยสักคำเนี่ยขอให้เห็นทนะ่านนะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะบอกให้ <laughs> ต้องนอีน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 อีกวันหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเลยทําอะไรไม่ถูกเลยจิตมันสอนความจริงให้นะนั่นแหละมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแล้วไม่ต้องตกใจ mm hmm. ก็ทำของเราไปเรื่อยๆ mm hmm. แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็หายไปเลยถูกต้องแล้วแบบนี้ค่ะอืช่วงนี้จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าถูกปาาัะหาแต่จะเหมือนกับอย่างที่ตะกี้ที่หลวงพ่อว่าคือเหมือนกับ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 พอทําสมธาธิไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุ ข, ขกลับมาดูได้ละหรือว่าทําสมธาธิไปสักพักหนึ่งเห็นจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านก็นี่ก็ดูได้ละตอนนี้รู้สึกตื่นเต้ น, นะคะ่ะออแล้วก็เด่นแม้ความตื่นเต้นไม่คงที่พอไมโครโฟนใกล้เข้ามาความตื่นเต้นก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไห ม, มพอจับแล้วรู้สึกไหมมันก็งั้นๆแหละะ แล้วก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นว่าตัวเองไม่ดีขนาดนี้ค่ะ mm hmm. ก็เริ่มเห็นว่าเออบางทีบางทีพูดอะไรไปเนี่ยเราเราคิดว่าเราคำพูดมันดูเหมือนสุภาพแต่จริงๆแล้วคือเราเราตั้งใจไม่ดีไปในคาพูดก็เริ่มเห็น ว, ว่าจริงๆแล้วคือตั้งใจไม่ดีเออดีแล้วนะดีแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าสอบได้ดนะีการที่เราเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยดีมากเลย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 เขามาพูดกับเราเนี่ยพูดจริงไม่จริงเราก็รู้นะอะทางนี้แล้วเนี่ยคุณหมอมีลเลยอาะเบอร์แปดสิบสี่เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะว่าคือพยายามภาวนาทำเหมือ น, อนกันทุกวันแล้วบางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีแต่ก่อนนี้เข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ค่อยได้ทาหรือเปล่ามันถึง ไม่ดีแต่ น, น, นะเจนนนทรีอย่าบังคับตัวเองบังคับขึ้นมาลวดวมนะดูดกไหมอ่ะแต่ว่าเท่าที่สังเกตก็รู้สึกว่ามันเป็นของมันเองนะครับเออเป็นของมันเองถูกต้องแล้วที่ใช้ทําได้นะที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วหมอทุรีครับคือดูจิตไปหลายปีมันไปติดอยู่ตรงที่ไปติดอยู่ตรง ไปดูจิตตังขา น, นก็ไปแช่อยู่นจนวันหนึ่งมันก็ไม่เอามันเห็นว่าไปแช่แล้วมันก็ทุกข์มันก็ถอนมันนิดหนึง่งมันจะมาอยู่ระหว่างจิตตังขานกับตรงกลางหน้าอกฮะมันอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันไม่ทุกข์รู้สึกสบายสบายเป็นกลางเราไม่ได้ฝึกเอาทุกข์หรือเอาไม่ทุกข์หรอกเราฝึกเพื่อให้เห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา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 มันเป็นไอเด็กเกเรที่ไหนก็ไม่รู้แอบมาอยู่ในบ้านนี้ครับพึ่งเริ่มหัดฝึกครับผมบางทีมันจะเห็นเป็นก้อนๆ น, นะครับออไม่รู้เรียกว่าชื่ออะไรก้อนๆ น, นั่นนะคือเป็นวิบากเป็นผลของการกระทํากรรมของเรานะตัวนั้นเป็นก้อนทุกข์นะเราแก้ไม่ได้หรอกทุกข์นี่นต้องทนเราต้องรับใช้เอเรก็ทุกข์เป็นวิบากมันเกิดจากการที่เราพยายามบังคับตัวเองนัเกิดจากการบังคับตัวเอง แน่นๆขึ้นมาถ้าบังคับแรงนะก็แน่นมากบังคับน้อยหน่อยก็แน่นน้อยหน่อยไม่บังคับก็ไม่แน่นหรอกเป็นผลอะปัญหาหนักตอนนี้ผมคือเรื่องศีลห้าครับผมอะไรนะปัญหาใหญ่ตอนนี้คือศีลห้าครับเออเรรจะหนักทางข้อห้าครับอืจะเกรงใจเพื่อนผมไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันครับต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อสมัยหนุ่มๆอย่างพวกเราอ่ะเวลาทําราชการเนี่ยผู้ใหญ่เขาชอบกินเหล้านะ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 แล้วอย่างพอเราโตขึ้นไปโตขึ้นไปนะต่อไปใครมานั่งโตเรานะไม่มีใครกล้ากินเหล้าเลยกลับข้างกันนะมันอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวของเราด้วย อ, อย่างถ้าเราสมมุติเราทำธุรกิจต้องไปเลี้ยงลูกค้าอนะไรเงี้ยให้ลูกค้ามันกินเหล้าไปเราบอกเราไม่กินนะ่นะะถ้ามันไม่พอใจก็อธิบายให้มันฟังเนี่ยทำธุรกิจกับคนมีศีลธรรมอ่ะมันดีแล้วนะ <laughs> นี่หลังมันก็เข้าใจนะเออใหม่ๆก็ลําบากหน่อยศีลจําเป็นนะศีลจําเป็นคนไหนถือศีลได้มีเครดิตในตัวเองนะอย่างคุยกับลูกค้าเราแบบทําธุรกิจกับคนมีศีลมันสบายใจได้นะอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อเราง่ายเผือเราทุ่ศีลแล้วก็โกงเขาได้ง่ายะ <c oughs> แต่อย่าไปโกงเขานะ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 เด็กรู้จักนะไม่ใช่ไม่ไม่กังวลหถึงพ่อแม่ทะเลาะกันเด็กกรุ้มใจนะไม่ใช่ไม่รุ้มเด็กก็รู้เรื่องถามเด็กรู้จักอิจฉาไหมเนี่ยเด็กหันไปมองน้องหน่อยหนึ่งมีน้องมาด้วยรู้จักค่ะรู้จักถามรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันอันนี้มองหน้าแม่ไม่กล้าพูดลนะกลัวแม่รู้ความจริงกนะ็จริงจริงแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันนะเด็กก็รู้นะ เพราะองั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆความรู้สึกอะไรของเราเกิดอยู่ตอนนี้เราก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆเช่นะเราฟังธรรมะของหลวงพ่อพูดแล้วฟังแล้วงงไปหมดแล้วรู้ว่ากําลังงงอยู่นะั่นแหละเรียกว่าปฏิบัตินะงงอยู่รู้ว่างงดีใ จ, ร, Stefan, ใ จ, ใจใรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจนะกลัวรู้ว่ากลัวความรู้สึกอะไรเกิดอยู่ก็ค่อยรู้ไปเรื่อยในสุวเราจะเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดนี้เป็นของชั่วคราว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 เราก็รู้ว่ามันชั่วคราวใจจะค่อยเป็นกลางอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นอยู่กับโลกแบบเข้าใจโลกก็บาดเจ็บน้อยหน่อยอยู่กับโลกแบบไม่เข้าใจโลกก็บาดเจ็บเยอะหน่อยจยนนวลสิริหนีไปแล้วนะจันนวลสิริใครรู้ทันตรงที่ใจเคลื่อนถลำไปขอจันนวลสุริต้องดูสบายๆต้องสบายกว่านี้จงใจเกินไปนิดหนึ่งนะ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 แต่ว่าในชีวิตปัจจุบันเนี้ยที่ทํางานอยู่ก็พยายามตั้งสติแล้วก็มีสมาธิพอสมควรไม่ให้ไม่ให้จิตมันพาไปว่าไม่ให้เรโกรธมากไม่ให้เราอิจฉาริษยาหรืออะไรอย่อยางเงี้ยค่ะได้ยังไงก็ยังดีนะคะเราก็อยู่กับโลกได้อย่างเป็นคนดีขึ้นค่ะก็คือพยายามทําให้ให้มันมั น, ม, นมันมีน้อยที่สุดที่จะจะน้อยได้ถ้าถ้ามันเป็นวันไหนก็อาจจะ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 หกฐานเจ็ดฐานอะไรต่ออะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยจะมีคำสอนชน้ดนี้เต็มไปหมดจนกระทั่งเราไปติดกับคำสอนพวกนี้จนลืมคำสอนแท้ๆดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราดูสภาวะหัดดูสภาวะไปเถอะง่ายที่สุดเลยง่ายทาไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเราว่าเดินจงกรมให้เดินท่านี้ท่า น, นี้ท่านสอนไม่เป็นหรือไงท่านไม่สอนเพราะว่าท่านเห็นว่าไม่จาเป็น ของเรารุ่นหลังกลับเป็นว่าต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกต้องเดินอย่างนี้แหละจาเป็นนี่เราปรับข้างนะเราจะมีความเชื่อความคิดอะไรที่เป็นของเราเองที่ไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เยอะแยะเลยท่านสอนธรรมะง่ายๆต่างๆท่านสอนอริยสัจเนี่ยคารวะไปหาท่านท่านจะสอนอนุ ป, ปุปพิกถาสอนอริยสัจสี่หรือสอนเรื่องการปฏิบัติเรื่องสติปัฏฐานเรื่องง่ายๆนะ พิสู่ทั้งหลายนะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่ไม่ได้มีท่านั่งนะนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่คำว่ารู้ว่านั่งอยู่หมายถึงอะไรรู้ว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เรานะรูปมันนั่งอยู่รู้แค่นั้นเองตัวที่เดินอยู่นะก็รู้ว่าเดินอยู่รู้ว่าอะไรเดินรูปมันเดินวัตถุ ก, ก้อนธาตุนี้เคลื่อนไหวไปใจ เ, เราอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนดูเท่านั้นไม่ได้มีท่าเดินนะท่านไม่ได้สอน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 ไม่มีใครบอกยากเหลือเกินพระเจ้าค่ะเปิดของคว่ำให้หงายมันยากอะไรนะเนี่ยเพราะเราเรียนผิดต่างหาเราเชื่ออาจารย์มากกว่าศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเลยลําบากพระพุทธเจ้าเองก่อนจะเป็นพระเจ้านะก็ค้นคว้าลองผิดลองถูกได้รับความลําบากแสนสาหัสมาแล้วะเสียอสงไข่แสนมหากับที่ได้รับพยากรณ์นะรวมกับเวลาที่ไม่ได้รับพยากรณ์อีกสิบสิบหกสงไขย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 ถ้าเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาก็าให้รู้ทันในสุดมันเป็นกลางมันไม่ดิ้นรนมันไม่ปรุงแต่งเราก็จะเข้าถึงธรรมะที่ไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งเข้าง่ายๆเลยนะนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่ใจของเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นนิพพานเพราะใจของเราติดในความปรุงแต่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันความปรุงแต่งนะรู้มากเข้ามากเข้าใจหมดความปรุงแต่งนะจะเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองง่ายมากๆเลยนะไม่ใช่เรื่องยาก จนันนนสริหนีไปคิดทมไหมเอ อ, อเออนะาใครรู้ไปรู้ไปเนี่ยฝึกไปนะาดีแล้วอ่ะวันนี้แค่นี้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อเหนื่อยแล้วเอา้ามีคุณเยาวอีกคนหนึ่งเอ้าแถมอีกคนเอ้าไหนไหนมานานๆ า, านทีนึงไมโครโฟนไปถึงไหนแล้วให้ส่งไปหน่อยค่ะหลวงพ่อก็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 แต่คราวนี้เห็นกายก็ไม่เที่ยงกายนําเห็นไม่เที่ยงนานแล้วแต่จิตที่ไม่เที่ยงเนี่ยเพิ่งชัดแล้วก็จิตก็เป็นทุกข์แล้วก็ยึดถืออะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ติดกันหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นภาวนาหรืออะไรหรือจินตาหรือเป็นเป็นอ่าสูตรตะยศว่าเป็นยังไงก็เป็นแต่ฉันเป็นอะไรก็เป็นมันไม่ตุกเขาแล้วกันฉันฉันลู้ของฉันฉันได้ของฉันฉันวางของฉันได้ก็ก็จบแล้ว ยงก็คิดอย่างงั้นนะเจ้าาก